ขับพร้อม น, นะครับเอาขับอิมีนาสกาเลนาทางพุทังอาปิปุสยามะเมื่อกี้ในหลวงพ่อดูขึ้นแปดค่าเดือนแปดหลวงพ่อก็แปลกใจหลวงพ่อล่ะเอา น, นปฏิทินมาดูเนี่ยก็เดือนแปดจริงๆริงว่ะอ้าวเดือนนี้เป็นเดือนแปดแล้วเหรอเนี่ย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 ที่มาสูวัดหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราสมาทานสินห้าสำหรับผู้ที่เคยสมาธิสินสมาทานสินแปเป็นพื้นฐานอยู่แล้วผู้ที่สมาทานสินตั้งแต่ในพรรษาตลอดถึงแรงทั้งฝนก็มีอยู่เพราะั้งผู้ที่สมาทานสินอุโบสถศินแปก็ให้สมาทานตามปกติ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 จะไม่ดีเหรอแต่ในหลักธรรมคำสอนปราทั้งหลายเ ข, าเขา้าขวัตนดะีถ้าเป็นผู้มีสินแต่มีแต่พวกเรากิเลสว่าไม่ดีนะแต่บัณฑิตนักปรารถาขา้าววัตดีนะั่นแะเพราะนั้นพวกเราต้องฟังบัณฑิตนักปราดถข้างขวัดีนห้พรนั้นพวกเราต้องฟังบัิตนักปรา้อยวัดนัหรนั่งกาับคืินหานึ่้าวขวัตหีนั่นหละเนันกหนาที่งฟงิตนักรน้าวขวตีนันละเพรนั้นพเานเป็นศขล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 แก่อนหน้านี้ก็หลงตาท่านลงไปกรุงเทพที่ไรท่านก็เอาหลวงปู่เพียรวิริโยติดตามไปตลอดพอมาหลวงปู่เพียนไปไม่ไหวสุขภาพไม่ดีท่านก็ถามหลวงปู่บุญมีเหมือนกันนะหลวงปู่บุญเมีก็บอกว่าไปไม่ได้ไม่สะดวกกระผมเพราะท่านเกรงเกรงเคารพในองค์หลวงตามากนะหลวงปู่บุญมีพอเข้าไปใกล้หลวงตาแหละทาอะไรไม่ถูกลักษณะอย่างนั้น่ะ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 แต่หลวงปู่อุ่นที่มาเป็นประธานเมื่อคือนนี้ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปูส่สิงทองเป็นหลานของหลวงปูส่สิงทองธรรมะวะโรเป็นพระที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาสมัยเมื่อท่านไปอยู่ที่มุกดาหารที่บ้านห้วยทรายนะหลวงปูส่สิงทองไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายหลวงปู่อุ่นบวชที่มุกดาหารนะและก็หลวงปู่น้อย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 ท่านยังฉันไนบาดอยู่เพราะนั้นพาลูกพาหลานอย่าไปทิ้งบาดพอขนาดใดขนาดนึ่งนะ่โยนบาททิ้ง อ, อฉันข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ปฏิปทาไม่ใช่แนวขององหลวงตานะนี่แหละหลวงพ่อก็พูดให้ฟังแต่ตาไม่จริงหลวงตาเมื่ออายุท่านเก้าสิบปกว่านะเนเพราะท่านอายุเก้าสบแปดใช่ไหมละ่ะประมาณจะเก้าสิบห้าเก้าบหกเนี่ะหลวงพ่อเขาไปกราบท่าน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 แต่ตามปกติในะท่านจะไปบินทบาทไปบินท่าบาทในหมู่บ้านพอพระไปถึงพอเขามองเห็นพระเข้ามาแล้วเนี่ยเขากดห อ, อ, อกเคาะเคาะกระลอกระลอคือะคระฆังเนี่ยในหมู่บ้านเขามีไม้แผ่นหนึ่งเขาเอาม้เคาะเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านตีเกราะนะตีเกราะตีะระฆังเตือนหมู่บ้าน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 ป่าชิวัดป่าวัดไม่ใช่ท่านมาอยู่ที่นี่สองปีจากนั้นเขาไปอยู่ที่สกลนครไปอยู่สกลนครไปอยู่ที่บ้านโคกนะีสองปีจากนั้นท่านก็เข้าไปอยู่ข้างนาอีกหกปีบ้านน้องผือน า, นาไนหกปีก็เป็นนั้นว่าหลวงปู่มั่นท่านกลับมาคราวทนะีะท่านมาอยู่ทางภาคอีสาน